อาหายไปเลยอะขออนุญาตอีกนิดหนึ่งครับพอดีว่าเออมีมีน้องที่จะมาถามประเด็นสําคัญน้องนาดีนะครับถ้าว่าเขามีสนใจประเด็นอะไรก็ถามหลวงพ่อดีพอดวีวันนี้เพิ่งมารู้จักกับผมมนแรกพอดีว่าให้ให้น้องนาดีดแนะนําตัวเองแล้วได้ถามหลวงพ่อในฐานะที่หลวงพ่อเดียวมีภารกิจอื่นอีกนะครับเพราะเวลาจํากัดนะครับผมเป็นผู้ดําเนินรายการผมผมดําเนินการเองได้หมดครับเปลี่ยนเชิญครับให้นาดีถามใช่ใหใชไหม ใหน้นา ด, ดีแนะนําตัวก่อนว่ามารู้จักหลวงพ่อยังไงแล้วก็ผมเกื้อกูลอะไรไปบ้างแล้วแล้วก็จะให้หลวงพ่อเกื้อกูลอะไรเพิ่มเติมเรียนเชิญครับเียงตรง น, นี้มันสาคัญเสียงชัดไหมคะอะอย่างนี้ค่ะต้องขออนุ ญ, ญาตกับนมัสกา ร, รหลวงพ่อออดค่ะโยมโยมเนี่ยเ พ, พิ่งเพิ่งได้โทรกับอาจารย์จอมเมื่อเช้าหลังหลังจากที่ฟังคลิปหลวงพ่อออสแล้วมีอาจารย์จอม มามาม า, มาพูดเรื่อยๆก็ประทับใจท่านเพราะว่าเวลาท่านอาจารย์จอมพูดถึงว่าตัวเองอ่ะฝึกฝึกหนักมายี่สิบปีเอ่อแนวทางหลวงพ่อเทียนแล้วก็พาคนอื่นฝึกมีความวิริยะแต่ก็แต่ก็ ต, กตื่นเต้นนะคะขอนายาตพอ พออาจารย์จอมมามาม า, มาเจอหลวงพ่อออสเนี่ยถึงได้รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยได้ยินคําว่าผู้รู้มันธาตรู้อะไรประเภทนี้อ่ะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่โยมฟังแล้วเข้าใจเลยเพราะมันติดอย่างนี้อยู่แล้วอาจารย์จอมก็พูดอยู่คำนหนึ่งว่าพระอภิธรรมก็ยังเข้าไม่ถึงคํานี้อาจารย์จอมก็ปฏิบัติมาทุกรูปแบบก็ไม่เข้าถึง สิ่งที่หลวงพ่อออสได้ได้มาสอนพวกเราแล้วก็พูดคําว่าโชคดีที่อาจารย์จอมไม่ไ ม, ไม่ไม่ตายซะก่อนมาได้ฟังเสแล้วขอบพระคุณท่านอาจารย์ออสที่เมื่อรู้สิ่งนี้แล้วเนี่ยไม่ได้ไปอยู่วัดลําพังหรืออยู่กุฏิลําพังยังออกมาสอนเนี่ยตั้งแต่นั้นมาติดตามอยากจะคุยกับอ า, อ า, อาจารย์จอมก่อน ไม่กล้าที่จะคุยกับหลวงพ่อออสเพราะว่าไม่เคยคุยกับพระมาก่อนค่ะเดิมทีโยมครอบครัวโยมเป็นเป็นคริสเตียนนะคะเราเราไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าทางพระแต่ว่าบังเอิญมีมีอุบัติเหตุเครื่องบินจะตกนะคะก็เลยรู้ว่าจิตกําลังตายเนี่ยมันกลัวแล้วไอ้ความรู้ต่างๆเนี่ยมันเมื่อเมื่อรอตายเนี่ย ก็เลยมาตามหาว่ามานอกจากพระเจ้ามีอย่างอื่นอีกไหมนะคะนิยมก็ไปมาทั่วสุดท้ายก็เออมามาปฏิบัติคิดว่าเข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่อยู่ที่ประจีนบุรีเออธรรมอยู่อยู่สายหนึ่งยี่สิบปีนะคะแต่ก็ปฏิบัติไม่ไม่ไม่ได้ะคะ่ะทำทำตามที่เขาเออต้องการเนี่ยไม่ได้ นี่ก็เลยหามาเรื่อยสุดท้ายก็มาหลดมาม า, มาเจอหลวงพ่อชาญนลเรื่องการรู้สึกตัวทีนี้ก็ดีนะคะการรู้สึกตัวคือที่ที่เข้าใจแล้วว่าหลวงพ่อชาญนลสอนนะี่คืออะไรยังไม่ทันได้ลงมือทําเลยค่ะเล่นฟังประมาณเจ้เดือนหนึ่งแ็จแล้วก็มีคลิปจากโยมลูกศิษย์หลวงพ่อออสนี่แหละส่งคลิปไปแต่เช้าประมาณเจ็ดมงเช้า แล้วก็ถูกแอดบินลบแต่โยมตื่นพอดีแล้วก็เห็นว่าลักษณะเนี้ยเป็นรู้สึกตัวเหมือนกันแต่ครูบาอาจารย์อื่นก็รีบคลิกพอคลิกเสร็จหลวงพ่อได้ไดคลิป ท, ท, ที่นำเสนอวันนั้นน่ะโอ้โหฟังคลิปเดียวเข้าใจเลยอะหลวงพ่ออ๋อเป็นคลิปที่หลวงพ่อมาพูดใ น, ในป่าแล้วพูดแค่สิบกว่านาทีแล้วหลวงพ่อก็พยายามเอา เอาเครื่องไม้เครื่องมือเป็นเป็นไม้อะบอกบอกว่าทุกทีเราจะอยู่ที่ปลายไม้ไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ตรงนี้อ่ะรู้เลยรู้จิตหลวงพ่อเลยว่าเป็นครูที่พยายามที่จะหาทางมาอธิบายหลังจากนั้นก็ฟังเฉพาะหลวงพ่อจนเข้าใจนะ่ะภายในสองสวันก็เข้าใจรู้เลยว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราได้ยินอ่ะทางทางพุทธน่ะนะว่าให้ละส ก, กายะทิฐิ ความคิดเนี่ยไม่ไม่จริงความคิดเนี่ยไม่ใช่ของเราตัวเราก็ไม่ใช่ของเราได้ยินอะ่ะแต่ไม่เคยมันจะมันจะไม่ใช่เราได้ยังไงอไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือตัวเราอะ่ะมันยังเป็นเราอยู่อารมณ์ก็เป็นเราตามหามาทั่วไม่อยากจะเอ่ยว่าไปสำนักหรือแนวทางไหนบ้างไปมาทั่วจริงๆตั้งแต่ปีสองห้าสามสาม ยันสองเนี่ยสองสองห้าหกสี่ของพ่อประมาณมกราปีหกห้านี่แหละที่ได้พบคลิปแรกของหลวงพ่อจริงจริงสองสามวันก็ก็เข้าใจเลยหลวงพ่อว่าความคิดไม่ใช่เรายอมรับเลยเข้าใจได้ยินมานานแล้วอยากจะอยากจะเข้าใจตรงนี้มันไม่ยอมตอนนี้เข้าใจแล้วก็รู้วิธีด้วยหลวงพ่อ เพราะนั้นเมื่อกี้ฟังโยมน้องนิชาพูดเน่ยตกใจเลยทาไมมันยากแท้ที่เราเข้าใจ ม, มันง่ายกว่นนี้นะเลยสงสัยเราเข้าใจจริงหรือเปล่าหลวพ่อคะโยมก็ตื่นเต้นแต่คงจะพูดแช่เนี้ยค่ะว่ากราบขอพวกคุณและอยากจะยืมคำพูดของหลวงช่านอาจารย์จอมพูดเหมือนอาจารย์จอมเลยว่าโชคดีที่ไม่ตายก่อนพื่อตื่นตัน มาจะหลวงพ่อแล้วขอบพระคุณที่หลวงพ่อเมตตาแ ล, แล้วพยายามมีมี ม, มีมีช่องไม่มีอะไรอะไรเนี่ยโยมฟังจนหมดไม่ใช่จนหมดชื่นตั้งใจฟังจนหมดแต่ทุดท้ายก็จริงๆหลวงพ่อก็พูดอยู่เรื่องเดียววนอยู่เรื่องเดียวอะ mm ่ะหลวงพ่อพูดเหมือนก็ว่าโอ๊ยกลัวหลวงโยมจะเบื่อไม่เบื่อเลยค่ะหลวงพ่อตอนแรกโยมมคิดว่าจะฟังแค่คลิปนี้แหละมันครบแล้วมันครบแล้วคําสอนเหตุผลทั้งอย่างครบแล้ว พอแล้วไม่อยากฟังคลิปอื่นทีนี้วันนานไปก็อดฟังไม่ได้เพราะหลวงพ่อก็แชร์จากค l ับเ o u s e ก็เลยก็เลยฟังมาเรยกับกับกาบหลวงพ่อขออนุโมทนากับหลวงพ่อด้วยที่ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่พยายามหาเหตุหาตัวอย่างมากมายให้มันง่ายซอกแซกเพื่อจะด้วยความเมตตาโยมอะ เข้าใจหลวงพ่อเลยค่ะล้วกราบหลวงพ่อจริงๆโมทนาจริงจหลวงพ่อแค่นี้ค่ะเขาพระคุณอาจารย์จอมด้วยค่ะฮัลโหลยังยังได้ยินนะดีอยู่ไหมคะฮัลโหลอ่าโอเคเนาะได้ยินนะได้ยินทั้งหมดไหมคะโยมก็หลับตาพูดก็อนุโมทนากับโยมด้วย ทีนี้อยากให้โยมแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งเพราะว่าแต่เดิมอะ่ะแต่เดิมอะ่ะมันก็ว่าไม่เข้าใจเรื่องความไม่มีตัวเราเนาะคืออย่างไงก็มองเป็นเราไปหมดเลยมันเป็นเราร เ, เร า, เราทาั้งทั้งที่ได้ยินได้ฟังแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์<อ>ทำท่องงเป็นอนัตตาแต่ก็ไม่เข้าใจคําสอนของท่านแล้วมันมันจู่ๆแล้วมันพลิกเปลี่ยนเป็นความเข้าใจถูกอะ่ะ หมายความว่าโอ้เห็นแจ่มแจ้งจริงๆว่ามันไม่ใช่เราจุดตรงนี้อยากให้โยมแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่ามันต่างเก่าอย่างไงอะไรเนี้ยอย่างนี้หลว ง, งพ่อมันมีความต่างนิดหนึ่งโยมเหมือนว่าง่ายอะหลวงในนนี่อ่านอ่านพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเราก็ยังไปซื้อไอ้สี่สิบห้าเล่มมาอ่านคุศรษาแล้วแล้วก็ว่าง่ายท่านบอกว่า ความคิดไม่ใช่เราฝึกคือกายไม่ใช่เรากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์เนี่ยแต่มันยังเป็นเราอยู่มันจะมันจะเลิกได้ยังไงลักษัอย่างจะเป็นโสดาบันกันลักยษยะทิฐิได้ยังไงอะ่ะถูกไหมคะเดี๋ยวเมื่อกี้จะพยายามจะอธิบายว่ามันมันมนนันเดี๋ยวตายแล้วเริ่มเริ่มสับสนมันตื่นเต้นยังไม่เลิกเลยเนี่ยน้องพ่อถามไหม เจะตอบได้ค่ะหลวงพ่อถามใหม่ค่ะคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนาะค่ะเมื่อเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนความเห็นจากความเห็นผิดเปลี่ยนเป็นความเห็นถูกซึ่งเจ้าตัวเนี่ยจะรู้อยู่แก่ใจเลยว่าโอ้มันต่างเดิมมันต่างเก่านะเก่าเคยเข้าใจอย่างนั้นแต่มาบัดเนี้ยมันเข้าใจอย่างเนี้ยทีนี้ไอจุดเปลี่ยนเนี่ยว่า อันไหนที่มันรู้สึกว่ามันเป็นไฮไลท์หรือมันเป็นสําคัญเนาะทําให้เกิดการเปลี่ยนขึ้นมาเนาะอย่างของโยมนิ ช, ชาเนี่ยก็มีจุดเปลี่ยนนะแม้กระทั่งของหลวงพ่อเองก็มีจุดเปลี่ยนของของโยมจอมพงก็มีจุดเปลี่ยนนะมันมีอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอจุดเปลี่ยนก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราแยกตัวเองไม่ได้ใช่ไหมมันมีแต่ต<ช>ัว เ, เองมีแต่สิ่งเียวคือมีเราก้อนเดียวมัดเป็นสิ่งเดียวแต่เรา<ช>ไม่เคยรู้จักธรรมชาติที่มารู้ตัวเราพอ<ช>ไม่รู้จัก ธรรมชาติท oh, ี so so like it. It like ่รู้ต <laughs> like ัวเราปั๊บมันก็ยังเป็นตัวเราแต่พอรู้จักธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยมันแยกออกมาเป็นสองก็คือตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้แต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็พอเป็นอย่างเนี้ยมันเข้าใจเห็นถูกต้องขึ้นมาเลยว่าโอ้มันหลุดพ้นมาจากคือธรรมชาติที่รู้เราเนาะมันเป็นตัวที่หลุดที่พ้นไปจึงเข้าใจเลยอย่างแจ่มแจ้งเลยว่าไอ้ตัวเรามันเป็นสิ่งถูกรู้ทั้งพวงทั้งยวงทั้งก้อนทั้งมัดเลย แล้วก็แจ้งชัด<ฆ>ขึ้นมาว่าไม่เคยมีความรู้แบบนี้มาก่อนอันนี้หลวงพ่อแบบพูดแบบเพื่อชี้นํานิดหนึ่งแต่ของโยม<ฆ>ลองอธิบายว่าจ<ฆ>ุดไหนที่ทำให้มันพลิก<ฆ>เปลี่ยนอืคือเมื่อกี้นึกออกแล้วว่าโยมโย ม, โยมเ อ, อพยายามจะอธิบายหลวงพ่อว่าโยมเป็นเด็กว่า ง, ง่ายพอพ อ, พอฟังหลวงพระพุทธเจ้าบอกว่ากายใจไม่ใช่ของเราเนี่ยก็พยายามจะหาทางว่ามันไม่ใช่ตรงไหนด้วยความว่า ง, ง่ายแต่มันยังใช่อยู่อ่ะ ทีนี้พอมาเจอหลวงพ่อที่พูดว่าตัวหลวงพ่อเองเนี่ยได้เห็นผู้รู้ครั้งแรกอนตอนที่มีครูบาอาจารย์โทรมาแล้วหลวงพ่อบอกว่าด้วยความศรัทธาครูบาอาจารย์ก็เลยพยายามมองนาฬิกาหลวงพ่อมองนาฬิกาก็เห็นก็เถียงว่าก็เล่าเป็นพลเห็นอยูอ่เห็นตัวเองทนโทะวั น, ว, นวันที่หลวงพ่อพูดโยมเห็นด้วยค่ะ เห็นไปตามหลวงพ่อด้วยอ่ะว่าเราอ่ะเห็นนาฬิกานาฬิกาถูกเห็นมีตื่นเต้นปากแห้งเลยอ่ะแล้วตัวหลวงพ่อก็บอกว่าก็จ้องอยู่นั่นระหว่างนาฬิกาแล้วก็เห็นตัวเรานาฬิกาตัวเราสุดท้ายหลวงพ่อก็อ๋อก็เราเราอยู่ตรงเนี้ยเรารู้เราอยู่ตรงเนี้ยเราเห็นตัวเราอ่ะหลวงพ่อ ตรงเนี้ยเริ่มเข้าใจเราเห็นตัวเราอ่ะมันมีอย่างหนึ่งที่ที่เราเห็นตัวเราอ่ะมันมีฝ่ายที่สามหลวงพ่อพูดย้ําเรื่อยทุกเทปอ่ะมันมีสามฝ่ายถูกเห็นไอเราผู้เห็นแล้วเราเห็นเราอ่ะฟังหลายเทปมากแล้วก็เป็นเรื่องกระจกหลวงพ่อพยายามหาตัวอย่างเยอะอย่างอันหนึ่งก็โดนก็คือ เราส่องกระจกก็มีกระจกที่ไม่ใช่เราไปตัวเรายืนหน้ากระจกก็ไม่ใช่มันเป็นขันห้าอันนี้เ็เรียนมาก็รู้ว่ามันไม่ใช่เราอะ่ะแต่เราก็ยังยึดเราแต่หลวงพ่อเขาให้มาจากหลวงพ่ออ๋อนี่แหละที่บอกว่ามันมีอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องรู้คือเราคือไม่ใช่เราคือ ม, มีผู้เห็นเป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีตรงเนี้ยเราจะไม่เห็นเลยอะ่ะ จะไม่เห็นทั้งกระจกจะไม่เห็นทั้งไอตัวขันห้าเนี่ยเราจะไม่เห็นอันนี้ก็เริ่มมาล้วยังนั่งมันมีอยู่คลิปหนึ่งคุณวิชัยที่เขานั่งมองตาข่ายอะ่ะหลวงพ่อตาข่ายอะ่ะที่หวงวิชัยนั่งอยู่คนเดียวแล้วบอกว่าเห็นตาข่ายแล้วแล้วใครเรามาเห็นโยมว่าเห็นตาข่ายคลิปคลิปนั้นก็เห็นโดยสรุปก็ตอบถามหลวงพ่อก็คือว่าตัวอย่างที่หลวงพ่อ สอนในคลิปแล้วคลิปอีกพร้อมยมทั้งหลายอะ่ะทาให้เห็นว่ายอมอะ่ะยอมอะ่ะยอมยอมว่ามันมีอีกเราจะไม่รู้ไม่เห็นเลยแล้วไม่คลิปหนึ่งหลวงพ่อพูดว่าธาตุขันห้าพวกเนี้ยตัวเนี้ยมันจะไม่เห็นเลยถ้าเราไม่มีธาตุรู้เรายอมรับตรงนี้ค่ะหลวงพ่อ ยมตอบแค่นี้ได้ไหมคะพอจะได้ไหมก็ของโยมก็ที่มาที่ไปก็ชัดเจนชัดเจนเ<ร>คือเรายอมรับตรงนี้ที่หลวงพ่อสอนไงใช่เยอะมากเลยแล้วก็มันยมอ่ะจิตมันโยมดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เริ่มแล้วเราเราจะไม่มีทางรู้เลยถ้าไอ้ตัวรู้เนี่ยมันมันมันไม่มีในตัวเราอ่ะเราไปหลงว่าไอเราในขันห้าที่หูตาเราอ่ะที่เราจับ เราเห็นเนี่ยเป็นเราก็ามีหลวงพ่อออนนี่แหละมาบอกว่ามันไม่ใช่เราฟังเยอะฟังซ้าฟังซ้ำหลวงพ่อคิดตามค่ะต่อแค่นี้ค่ะก็ชัดเจนนกะที่มาที่ไปหลวงพ่อตรวจดูแล้วเนี่ยทุกคนที่เข้าใจเรื่องความพ้นทุกข์ก็ดีหรือว่าความพ้นจากขนาันธ์หน้า หรือว่าความพ้นจากตัวเราเนี่ยต้องผ่านคือต้องรู้จักตัวเราก่อนอย่างโยมจอมพงษ์ก็ชัดเจนนะก็คือรู้ตัวเราเห็นตัวเราของโยมนิดดีน้าดีก็ชัดเจนคือรู้เราเห็นเรานะแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยถึงทำไมถึงเอาตรงนี้มาย้ำเน้นว่าให้รู้ตัวรู้ตัวก็เพราะมันมั่นใจแล้วว่าการรู้ตัวนี่คือความหลุดเป็นความพ้นไปนะแล้วตัวเราคือขันห้า แต่รู้เนี่ยมันเป็นสภาพธรรมะที่พ้นไปจากขันห้านะก็เลยใช้บางทีก็บอกว่ารู้เรามันเป็นคำสั้นๆและรู้เรารู้เราก็คือพ้นเราพ้นทุกหลวงพ่อเขาจึงเน้นหาอุบายต่างๆมามากมายเพื่อที่จะให้ญาติโยมที่ติดตามเนี่ยได้เข้าใจเรื่องรู้เรานี่แหละยกตัวอย่างเยอะมากแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยก็เวลามีคนถามบอกเลยถามกลับเลยเอาใครถาม บางคนก็ก็ไม่เข้าใจไงแต่ว่าถ้าฟังบ่อยๆก็จะรู้เลยว่าทำไมหลวงพ่อจึงแบบเขาเรียกว่ า, าจี้จุดหรือว่าใช้ดักคอก็เพื่อต้องการให้เน้นกลับมาให้รู้ตัวเองว่ามีเราเป็นคนถามเราเป็นผู้สงสัยเราเป็นผู้เข้าใจเราเป็นผู้งงคือเราเป็นผู้เป็นผู้เนี่ยเออถ้าเข้าใจตรงนี้มันมันไม่พลาดเลยเพราะว่ามันชัดเจนนะแม้กระทั่งครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อกาเขียนเนี่ย ท่านใช้คําว่าเห็นเห็นไม่เข้าไปเป็นซึ่งคําของท่านเนี่ยคมชัดเขาเรียกว่าเป็นคําคมสั้นๆคือเห็นแล้วไม่เป็นแต่เมื่อก่อนเราไม่เข้าใจเพราะเม<ะ>ื่อก่อนเนี่ยมันพยายามเอาเราเป็นผู้เห็นแต่ก็เรากรองไม่ไม่เป็นอ่าคือเราเห็นเช่นเราเห็นทุกเราไม่เป็นทุกเราเห็นสุขเราไม่เป็นสุขซึ่งอันเนี้ยมันใช้ไม่ได้เพราะยังมีเราเป็นผู้เห็นแต่ถ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งถูกต้องจริงๆเนี่ยผู้เห็นเนี่ย มันไม่มีผู้เห็นมีแต่สภาพธรรมะที่เห็นซึ่งมีอยู่จริงแล้วก็พอมาพิจารณาดีๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าธรรมชาติที่เป็นเป็นเห็นเนี่ยนะมันมันไม่เขาเรียกว่ามันเป็นสภาวะหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นพอเป็นอย่างเนี้ยมันเข้าใจเลยว่าอ๋อมันเป็นสภาพธรรมะคนละอย่างเพราะฉะนั้นถ้าทุกข์ถ้าเห็นทุกข์มันก็ไม่เป็นทุกข์ร้0ยเป้านเปอร์ซตเพราะว่าทุกข์คือสิ่งที่ถูกรู้ แต่สภาพธรรมะที่เห็นมันเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากทุกข์คือเป็นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยจะเป็นทุกข์ไม่ได้พอมาอย่างนี้เสร็จโอ้ยใช่เลยใช่เลยแล้วก็มันจะง่ายและต่อจากนี้ไปคือมันง่ายไปหมดเลยถ้ารู้ตัวเป็นแบบเนี้ยเห็นตัวเองเป็นอย่างเนี้ยมันง่ายทุกเวลาเลยจะเดินจะนั่งมันก็เห็นเราใช่ไหมอืม <S <S 1> <S 1> จะนอนหลวงพ่อบางทีใช้คํำมุดหมูกเข้าไปในใต้เตียงเลยมุดเข้าไปเลยมันก็จะรู้เราหรือว่าจะไปทําอะไรก็ตามมันก็จะรู้เรา ตรงนี้มันจะเร็วแล้วทีเนี้ยเร็วเร็เรก็คือแจ่มแจ้งหลวงพ่อใช้คําว่ารู้หรือว่าเห็นเนี่ยเห็นตัวเราอย่างแจ่มแจ้งเพราะว่าคําว่าตัวเราเนี่ยคือมันรวมหมดเลยทั้งห้าขันเลยแต่เราไม่ได้มาอธิบายว่าเห็นรูปเห็นหน้าเห็นคือมันเห็นทีเดียวคือพลึบเลยอะ่ะเป็นแบบชุดชุดเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องอธิบายอีกแล้วเนี้ยมันแจ้งแจ้งเของโยมนิ ช, ชาเนี่ยชัดเจนนะโยมนิ ช, ชาเนี้ยชัดเจนแล้วแต่ทีนี้อย่างที่โยมบอกว่า เออเดี๋ยวภาษาพูดอะไรค่อยว่ากันอีกทีนึงคุณฟังแล้วตกใจเลยตกใจโยมโยมโยมตกใจเอ๊หรือเราไม่เข้าใจเหรอคือคือฟังโยมโยมนิชาไม่โยมโยมไม่รู้เรื่องเลยนะคะนะ่ะไม่ใช่แนว ท, ที่เรามาสรุปของเราเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่ายโยมเนี่ยเห็นเห็นจิตแล้วจิตทุกจิตเป็นทุกข์ของโยมเนี่ยอืม พอเห็นแล้วมันมันเข้าใจแล้วว่าอ๋อเรารู้รู้อะไรเท่านั้นเองแล้วเราเร า, เราไม่อยากรู้ด้วยว่ามันอะไรรู้เฉยๆแล้วมันไม่ใช่เราเนี่ยมันมันยอ ม, มยอมหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อนะ่ะพูดอธิบายมันฟันธงเลยบอกว่าไอตัวเนี้ยที่เราคิดว่าเป็นเรารู้เราเห็นเราเรารู้เรื่องมาเลยต่ออะไรไปหมดชั่วชีวิตจนแกเนี่ยเราก็ เราคิดว่าเป็นเราแล้วเราก็ทุกเนี่ยมันก็หลายหลายหลายสเตปเนาะแต่หลวงพ่อบอกว่าต้องมีคนมาบอกเราต้องมีคนมาบอกเราเราถึงจะรู้แล้วถ้าเราบอกบอกแล้วเราก็ไม่ยอมรับอีกคือปัญญามันก็ยังไม่แก่รอบอะเราเราก็เลยต้องมาดูว่ามันใช่ไหมมาอะไรก็ทําตรงเนี้ยเยอะค่ะหลวงพ่อคะ่ะเพื่อให้เรามันยอมรับตรงนี้อะ รถตรงนี้ตอนนี้หมดใช้คำว่าหมดสงสัยหลวงพ่ออืมค่ะจบค่ะหลวงพ่ อ, อมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ย ม, มันมันจบอะหลวงพ่ออ่านะสาธุนะอ่าทีนี้ มีคนอื่นอ่าอาจารย์จมพงศ์ดำเนินรายการต่อคอพระุณค่ะขอบพระคุณขอณบพ ร, ระคุณครับที่หลวงพ่อได้เมตตาแล้วก็ได้เห็นความมั่นใจของคุณนาดีในการที่จะเดินต่อไปได้อย่างสวยงามอีกท่านหนึ่งนะครับคุณวรกรณผมนิชานี้ต้องมาสนทนากันตีสองมาคืนเพราะว่าเออคุณนี้คุณวรกรณอาจจะติดประเด็นอะไรบางอย่างในฐานะที่มีครูบาอาจารย์มาแบบเนี้ยคุณวรกรณถามหลวงพ่อได้เต็มที่เลยครับเรียนเชิญครับ สวัสดีครับพระอาจารย์ออสครับออไม่มีคำ ไ, ม, ไ ม, ม, คำม่ไม่มีคาถามไม่มีคาถามอะไรที่จะถามนะครับอยู่ในช่วงช่วงปฏิบัติให้พบความจริงเห็นความจริงอยู่ครับถ้ายังไงผมถามแทนคุณวลากรนได้ไหม啊ถามเออครับครับ ถามเผื่อถ้ามีถ้ามีอะไรที่ไม่ตรงคุณคุณวรกรก็ก็บอกนะว่าที่ผมเข้าใจที่สนทนากับคุณวรกรณนั้นมันเป็นยังไงคือในช่วงแรกๆกันครับหลวงพ่อผมได้คุยกับคุณวรกรซึ่งคุณวรกรณนั้นเท้าถึงที่มาก่อนว่าจีน่าแนะนํามาถึงคราวนี้ผมก็คุยแล้วผมก็ถามว่าตอนแรกๆกันว่าคุณวรกรณ์เนี้ยขณะนี้ได้ยินเสียงเนี่ยใครได้ยินคุณวรกรก็บอกว่า เหมือนกับว่าไม่ไม่ได้ตอบตรงที่ผมถามว่าใครได้ยินเหมือนกับว่าไปคิดถึงที่เรียนมาว่ากายก็ไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราแล้วพอพอผมถามว่าไอ้ที่พูดว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราเนี่ยใครพูดก็ก็คุณวรกรณ์พยายามสื่อเห็นว่ามันเป็นเรื่องของขันห้าหรืออะไรต่างๆพยายามสื่อไปตรงนั้นซึ่งผมบอกว่ามันไปมันมันเหมือนกับว่าไปช่วงปลายปลายแล้วแต่ช่วงต้นที่ว่าใครพูดใครรู้เนี่ยคุณวากรณ เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างว่าอภิธรรมนั้นขณะนี้ใครได้ยินเขาบอกว่าจิตได้ยินแล้วผมถามว่าใครมารู้จิตเขาก็บอกว่ามีปัญญาแล้วผมก็บอกว่าแล้วใครมารู้ปัญญาเขาบอกว่าปัญญายิ่งมันเหมือนกับว่าอืมคุณก็ไม่ทํำไ ม, ไม่ตอบตรงๆเลยว่าคุณได้ยินง่ายๆนี่ภาษาชาวบ้านถึงคราวนี้คุณวลากรณ็ก็วันแรกกเ็เหมือนจะเก็ตนะ่ะสิ่งที่ผมสื่อสารแล้วก็พอมาวันที่สองมาฟังผมอีกมาสนทนาอีกก็ ก็ก็คุณวรกรณ์พยายามที่จะสื่อว่าเขาสนใจว่าไอธรรมชาติรู้ที่เราพูดพูดถึงเนี่ยมันเป็นยังไงเขาเขาสนใจว่ามันมาจากไหนแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะธรรมชาติรู้มันไม่ปรากฏตัวเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแล้วก็ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายผมก็พูดอย่างนั้นแต่ก็เขาก็ว่ามันมาจากไหนแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพอพอวันพอมามารู้สึกว่าจะเป็นอีกท่วงหลังนี้ก็จะสื่อกันแบบว่า ทำนองที่ว่า เ, ออเขาสะสมในเรื่องของก า, การที่เขาเรียนรู้มาเรื่องของสายปัญญามามากครับว่าเลยเขาก็แต่เขามีความตั้งใจที่จะรู้ว่ามันมันรู้ยังไงกันแน่สิ่งที่เราถูกรู้เนี่ยเขาไม่เข้าใ จ, จตรงนี้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็เลยทำให้ทาให้แต่ว่ามีความสนใจและนอบน้อมที่จะฟังซึ่งตรงนี้เป็นคุณสมบัติที่ที่ต้องยอมแล้วว่ากดไล์ให้เลยว่าคุณวรกรณนั้นมีความรักแล้วก็สนใจที่จะฟังต่อโดย โดยว่าถึงไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรว่าไอ้ตัวเราถูกรู้เป็นยังไงเขาก็สงสัยตรงนี้อยู่ว่ามันมันยังไม่กระจ่างไม่ทราบถูกไหมครับคุณวรกรที่ผมพูด ช, ชัดเจนครับถึงคราวนี้หลวงพ่อช่วยเมตตาทีว่าถ้าลักษณะคุณวรกรณนี้จะแนะนํำยังไงเพราะผมนี่เป็นผู้ดําเนินรายการอธิบายได้ตามตามสมควรตรงนี้ครับที่ได้ยินมาได้ฟังคุณวรกรณแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของเขาติดตรงไหนยังไงครับ เอมื่อกี้ยอมบอกว่าชัดเจนเนาอ ะ, อะก็แสดงว่าตอนเนี้เขาเรียกว่าเข้าใจหรือว่าเกิดปัญญาแล้วว่าคําว่ารู้เราเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนนั้นเน่ยไม่รู้เราคือเราเนี่ยจะแฉไปเรื่อยเนาะไปแฉว่าจิตบ้างละปัญญาบ้างละอันนู้นบ้างล่ะคือเอาตัวเราเนี่ยไปแถไปรู้ที่ปลายแต่ไม่รู้ที่ต้นต้นคือเราเนี่ยที่เป็นคนพูดที่เป็นคนรู้เราไม่รู้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่ารู้ผิดตัวนะ แต่ทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่ออยากจะให้โยมวรกรเนี่ยได้ขยายความนิดหนึ่งว่าแต่เดิมเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องรู้เราแล้วก็พอต่อมาฟังเยอะ ๆ, ๆอะไรเยอะๆจนกระทั่งรู้เราขึ้นมาอยากให้โยมแชร์ประสบการณ์เพื่อประโยชน์ของคนอื่นด้วยว่าไอจุดเปลี่ยนตรงเนี้ยมันเป็นยังไงเออถึงได้เปลี่ยนไป<อ>ชนขอบขอบพระคุณครับ เอ่อในการที่ในการที่รู้เราแล้วเนี่ยเอ่อก็จากการที่เราพิจารณาความเป็นเราเนี่ยเวลาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนตื่นเอ่อก็เห็นความเป็นเราอะ่ะเอ่อที่ทําอย่างง้นทําอย่างนี้แล้วเวลาโกรธใครเวลาโกรธเนี่ยใครเป็นคนโกรธเออ แล้วโกรธอ่ะมันอยู่ที่ไหนแล้วใครเป็นผู้รู้ว่าโกรธแล้วไอ้ผู้รู้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันมีจริงไหมครับผมก็จะเป็นการลักษณะที่ว่าย้อนไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไปพยายามหาคาตอบหาไม่มีคำตอบก็ก็คือไม่มีคำตอบครับ แล้วไออาการต่า ง, าาางๆที่มันเกิดขึ้ น, น่ะโกรธแล้วก็ไปหาความโกรธหาอะไรเนี่ยเออมันก็จบแค่ตรงนั้นเองครับนี่คือคืออาการรู้ตัวของรู้รู้ตัวของผมครับอาจารย์ แล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้พอจะแยกได้อย่างชัดเจนไหมว่าตัวเราทั้งตัวเนี่ยนะที่เป็นผู้พ้นเออทั้งเป็นผู้ถามเพื่อจะได้คําตอบนะว่าทิศโยมเล่ามาทั้งหมดอันเนี้ยอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวเราแต่มันมีธรรมชาติรู้อันหนึ่งที่รู้ตัวเราว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมแบบเนี้ยแล้วก็สามารถที่จะแยกด้วยปัญญาได้อย่างชัดเจนเลยว่าเราก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้ แต่ธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมันพ้นไปจากตัวเราตรงนี้โยมเวลากรมีความชัดเจนแจ่มแจ้งไหมหรือว่ายังยังคุมเคืองยังแบบไม่ชัดเจนมันอาจจะเป็นแค่แค่แคว่าเออพอเป็นสัญญาจำได้เป็นแนวทางอืมครับครับครับครับเอ่อตรงนี้ผมเออผมอาจจะใช้คำพูดไม่เหมือนกับทียเออ ท, ที่อาจารย์บอกมาว่าผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้อะไรนะครับเออแต่ในเรื่องที่ความโกรธโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็รู้รู้ไอ้ความเป็นเราเนี่ยเออว่าเราโกรธแล้วอยากใครไม่นคนอยากก็เราอยากครับ เออแล้วไอ้ไอผ้ผู้ไอ้ผู้ที่บอกว่าอยากเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนั่นคือผมยังอยู่ในช่วงปฏิบัติอยู่ครับแล้วเออมันก็ยังมีการถามต่อว่าแล้วไอ้ผู้อยากเนี่ยมันเป็นใครครับงั้นเดี๋ยวถ้างั้นลอง เป็นแบบฝึกหัดตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้เดี๋ยวนี้นะหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สภาพที่โยมอยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนยังไงออบอกบอกบอกที่อยู่นิดหนึ่งอยู่บ้านอยู่ที่ไหนยังไงอ๋อครับผมอยู่ชนอยู่จังหวัดชนบุรีครับเออแล้วก็อยู่ในห้องคนเดียวครับอ่าทำไมถึงรู้ว่าอยู่ในห้องคนเดียว อ้ที่รู้ว่าอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยก็ด้วยความเป็นเราอะครับอืมเป็นไอ้ด้วยความเป็นเราเนี่ยที่บอกว่าเราอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยครับแล้วผู้ที่รู้เราตรงนี้จะอธิบายยังไงรู้เราว่าเราอยู่คนเดียวอันนี้หมายถึงว่าให้ อ, ใหอธิบายเรื่องผู้รู้นะผู้รู้เราอะนะเออเพื่อคนอื่นเข้าใจ ครับไอตัวไอตัวที่รู้เราเนี่ยอืมผมก็ไม่รู้จะบอกว่ายังว่ายังไงนะครับมันมันมีอยู่จริงครับไอผู้ที่รู้เราเนี่ยมันมีความรู้สึกนึกคิดได้อยู่ครับเ อ, อแต่ว่าหาตัวมันไม่เจอครับแล้วถ้าจะบอก มันก็คือความนึกคิดความนึกคิดอะไรนี่เองแหละครับถ้าเกิดว่าไม่คิดว่าเราอยู่ในห้องมันก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ในห้องนะครับก็คือสรุปแล้วว่าไอตัวที่รู้เราเนี่ยมันคือมันคือตัวคือตัวรู้ครับ เป็นรู้ที่สองครับเออผมตอบชัดเจนตรงคำถามไหมครับลองลองเพิ่มเติมนะว่าตัวเราที่เป็นสิ่งถูกรู้รกับธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันมีความต่างกันอย่างไรบ้างเท่าที่นึกได้ที่จะมาพูดอะนะคื อ, อมันมีความต่างกันอย่างไงบ้าง ไอ้ตัวเราสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยกับธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยมันก็เป็นกายมันมันก็คือกายคือร่างคือร่างคือร่างกายความรู้สึกอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วไอ้นี่ กายเนี่ยคือกายความรู้สึกต่างๆเนี่ยคือตัวสิ่งที่ถูกรู้แล้วตัวรู้เนี่ยมันก็คือมันก็รู้รู้รู้ของมันเองแหะครับที่รู้รู้ร้อนรู้หนาวรู้เจ็บรู้ปวดมันก็รู้ของมันนะครับรู้หิวรู้โกรธนะครับ มันเป็นรู้มันเป็นรู้นั้นนะครับสิ่งที่ ส, <า>สิ่งที่เรามีสิ่งที่<า>เราเป็นเช่นเรากําลังนั่งอยู่หรือว่าเรากําลังยืนอยู่หรือว่าเรากําลังพูดกําลังคิดกําลังมีความรู้สึกอันนี้ซีก น, นี้นะมันมีลักษณะแบบนี้นะตามติหลวงพ่อยกตัวอย่างคร่าวๆเนอะ Birthday, แต่รู้เราเนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้ไหมเดี๋ยวทวนเพื่อความเข้าใจนะคือในเราเนี่ยในตัวเราเนี่ยนะมันมีตัวใ ช, ใช่ไหมมีรูปร่างรูปพันสันฐานมีความคิดมีความรู้สึกมีท่าทางกิริยาอาการต่างๆได้ช่พูดได้คิดได้หัวเราะได้โศกเศร้าเสียใจได้แล้วธรรมชาติรู้เนี่ยมันมีสิ่งนี้ไหมธรรมชาติรู้เนี่ยเวลาที่จะ ที่จะหัวเราะจะร้องไห้จะเสียใจอะไรเนี่ยมันมันก็มีไอผมเออผมบอกว่ามันก็มีมันมีรู้ครับอืมมันมีรู้ในทุกอาการกิริยาครับหมายถึงว่ารู้เนี่ยมันมีอาการด้วยไหม รู้ในในการที่รู้อาการอะไรแล้วเนี่ยไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นไม่มีปฏิกิริยาไม่มีไม่มีอะไรเลยครับรู้รู้ว่าเจ็บก็คือเจ็บเท่านั้นเองรู้ว่าหนาวก็รู้ว่าหนาวเท่านั้นเองครับอืมโอเคเนาะเพราะว่าอันนี้หลวงพ่อสรุปเป็นรวมกันแล้วกันว่าครับสิ่งใดที่ ที่ตัวเรามีเช่นเดินยืนนั่งนอนหัวล้อโศกเศร้าเสียใจเคลื่อนไหวได้กระดุกกระดิกได้มีอาการได้คิดนึกได้นะอะไรได้ทั้งหมดเนี้ยแต่รู้รไม่มีอาการเหล่านี้เพราะว่ารู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่ตัวเราเนี่ยที่เรียกว่าตัวเรามันเป็นขันห้ามันเป็นสังขารปรุงแต่งก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะแต่ธรรมชาติรู้รเนี่ยไม่อาจจะปรากฏไม่มีการเกิดไม่มีการปรากฏ เพราะฉะนั้นจึงพ้นไปจากความปรุงแต่งนะจึงได้แต่รู้เมื่อเข้าใจด้วยปัญญาแล้วว่ารู้เนี้ยนะที่มันรู้เรานะมันเป็นเป็นสภาพธรรมะที่หลุดไปแล้วพ้นไปแล้วจากสังขารทั้งปวงหรือจะเรียกแบบชาวบ้านก็ได้คือเป็นธรรมชาติที่หลุดไปแล้วพ้นแล้วจากความเป็นตัวเรานะตัวเราก็จึงเป็นสิ่งถูกรู้หรือว่าถ้าเข้าให้เข้าใจลึกด้วยปัญญาว่าจริงๆอะ่ะที่เรียกว่าตัวเรา ที่แท้มันก็คือขันห้าหรือว่ามันเป็นสังขารหรือว่ามันเป็นกลุ่มธาตุคือดินน้ําลมไฟอากาศสธาตุและก็วิญญาณธาตุนะวิญญาณธาตุที่มันมาผสมคือในตัวเราเนี่ยนะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นธาตุที่ยังไม่บริสุทธิ์แต่ธรรมชาติรู้เนี่ยเป็นธาตุรู้เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่ปรุงแต่งถ้าเข้าใจอย่างนี้เราจะเข้าใจเรื่องความทุกข์กับความพ้นทุกข์ นะทุกคือตัวเราทุกคือขนันธ์หแต่พ้นทุกคือสภาพธรรมะที่รู้อันนี้เป็นสภาพที่พ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นไปจากทุกขก็คือรู้ทุก์ตัวเรานี่แหละคือตัวทุกข์ไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆนะสิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้กระดุกกระดิกได้เกิดขึ้นได้ตั้งอยู่ได้ดับไปได้อันนี้เป็นฟากทุกแต่ฟากไม่ทุกขคือฟากของรู้อันนี้เป็นโลกุตตะละคือนความพ้นไป เมื่อรู้แจ้งอย่างนี้รู้แจ้งอย่างนี้ก็เพียงแต่ให้รู้ตัวเราไปเรื่อยรู้ตัวเรานู่นแหละรู้จนกว่าจะสิ้นลมหายใจก็พ้นทุกอยู่ตลอดเวลาที่ขณะรู้ตัวเรานะอันนี้คือเป็นทางของมันนะแล้วก็ถ้าหลวงพ่อจะโยงไปเรื่องของ อ, อริยสัจเนี่ยอริยสัจคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมทุกข์ก็คือตัวเรานี่แหละตัวเราเนี่ยที่บอกว่าเป็นตัวฉันตัวกูนี่แหละเนี่ยคือกองทุกข์ แล้วก็รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งรู้แจ้งรู้จริงเห็นจริงว่าเข้าใจเรื่องทุกข์ว่าทุกข์คืออย่างนี้อย่างนี้ถ้ารู้แจ้งเรื่องทุกข์อย่างนี้กิเลสตัณหาก็จะไม่เกิดเพราะมีปัญญารู้แจ้งแล้วเมื่อกิเลสตัณหาไม่เกิดจึงไม่มีอะไรต้องละหมายความว่า e perfect, ไม่มีกิเลสต้องละเพราะว่ามันรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแต่ถ้าไม่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งมันก็มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งมันผิดเพี้ยนไปจาก ธรรมชาติตรงนั้นก็เป็นสมุทยัยเป็นเหตุแห่งทุกข์ซึ่งจะต้องละอันนี้สองข้อแล้วนะทุกข์สมุทยัยนิโรดนิโรดคือความดับทุกข์คือความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ก็คือนี่ไงตามที่บอกอะ่ะเมื่อเข้าใจเรื่องธรรมชาติรู้เราแล้วว่าธรรมชาตินี้เป็นความไม่ปรุงแต่งเป็นความไม่เป็นทุกข์มันก็เป็นนิโรดคือพ้นทุกข์หนทางการปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์แ ก, ก็คือรวบรวมมาเป็นเป็นหนึ่งเดียวก็คือศีล ส, สมาธิปัญญาในขณะจิต ป, ปัจจุบัน ขณะจิตปัจจุบันเนี่ยคือมันทีเดียวเลยขณะจิตเลยเมื่อรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยนี่แหละคือเป็นมรรคเลยเป็นเป็ น, ปนหนทางที่ปฏิบัติให้ถูกต้องอันนี้คือย่อโดยอริยสัจซึ่งแบบแบบง่ายๆไม่ต้องอธิบายยาวเหยียดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทําไมพระพุทธเจ้าสอนรเรื่องสติปัฏฐานก็มันเป็นทางทางเดียวเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่จะเเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดหลุดพ้นคือไม่ยึดถือ ความยินดียินร้ายหรือว่าไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกนี้ก็คือเรื่องความรู้สึกตัวหรือเรียกว่าสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยหนทางตรงนี้หลวงพ่อจึงย้าแล้วย้ําอีกก็ให้รู้ตัวให้รู้สึกตัวดื่มทําพูดคิดเดินยืนนั่งนอนหรือว่ามีอาการใดๆที่มันปรากฏขึ้นก็รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่รู้แจ้งอยู่อย่างเนี้นี่คือมันเป็นทางเดียวที่จะสู่ความพ้นทุกข์ได้ก็อ่ะเชิญคนอื่นต่อนะอาจารย์ครับ พระอาจารย์อัดครับผ ม, รผมถามสภาวะธรรมในนะครับว่า เ, เวลาเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนทุกข์ก็เราก็เราทุกข์หิวขึ้นมาใครใครใครหิวก็เราหิวแล้วผมเห็นด้ว ย, วยความเป็นเราเนี่ยมันทําให้เกิดทุกทุกอย่างเลยนะครับ อ, อ, อ, อกหักใคร อ, อก ใครอกหักก็เราอะก็ด้วยความเป็นเราเนี่ยเออแล้วขอเรียนถามว่ามีวิธีการไหนที่จะออกจากความเป็นเรามั่งครับเพราะว่าไอความเป็นเราเนี่ยมันมั น, ม, นมันคือตัวทุกข์ครับแล้วถ้าจะพิจารณาให้เลึกลงไปแล้วไอตัวเราจริงๆเนี่ยมันทุกข์เหรอกายมันทุกข์เหรอ แล้วใจเนี่ยใจมันบอกว่ามันทุกข์เหรอแล้วอะไรอ่ะที่มันที่มันบอกว่าทุกข์ครับอืมตรงตรงนี้ผมหาคำตอบอยู่ครับอาจารย์ช่วยแนะนำคำตอบหน่อยครับอืมที่พูดมาก่อนหน้านี้นึกว่ายำแจ้งแล้วก็เลย มาถามอีกแสดงว่าเออเนี่ยยังยังไม่ชัดเจนในสิ่งที่หลวงพ่อหลวงพ่อพูดก่อนหน้านี้หลวงพ่อหลวงพ่อพูดก่อนหน้านี้คือค ร, รู้สึกตัวนะครับเห็นะทั้งตัวว่าตัวเนี่ยทั้งตัวเลยเนี่ยที่เรียกว่าตัวเรานะมันเป็นสิ่งถูกรู้ธรรมชาติรู้มันก็พ้นไปแล้วพ้นพ้นไปแล้วจากสิ่งถูกรู้เมื่อกี้ที่โยมถามว่าทํายังไงถึงจะพ้นจากทุกเพราะฉะนั้นรู้ตัวนะ ตัวทุกเนี่ยตัวทุก์ก็คือตัวเรานี่แหละคือขันท่าแล้วก็คือบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องทุกดีพอเนาะยังมีทุกขมีสุขอยู่ก็หมายความว่าถ้าเป็นความไม่สบายกายเป็นความไม่สบายใจอันนี้เรียกว่าทุกโอเคมันก็ถูกอะ่ะแต่ว่ามันเป็นเวทนาเนาะเป็นความรู้สึกแต่ทีนี้ทุก์ในถ้าเราพูดโดยรวมเนี่ยก็ ต, ต้องมองในอีกมุมหนึ่งว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปอันนี้เป็นภาพรวมๆก็หมายความว่าสิ่งใดที่มันปรากฏแล้วหมดไปอ่ะมันจัดว่าเป็นทุกข์ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นทั้งสุขก็เป็นทุกข์นะความสุขอะที่เราชาวบ้านทั่วไปชอบกันนักกันหนาะบอกว่าสุขจังเลยสุขหนอสุขหนอนะอันนี้ก็เป็นสภาวะทุกข์แล้วก็ต้องหมดไปดับไป แล้วก็ไอความไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหลายอันเนี้ยมันก็ก็เป็นทุกข์อยู่แล้วแต่คนเ้ามองในมุมแคบไงบอกว่าถ้ามันเป็นความสุขก็คือมันไม่ทุกข์แต่ถ้าเรามองในคําสอนพระพุทธเจ้าโดยภาพรวมเนี่ยมันเป็นสภาวะทุกข์มันก็คือทุกข์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นการที่จะพ้นจากทุกข์ได้ซึ่งทุกข์เนี้ยมันมีอยู่จริง <c oughs> มันมีอยู่จริงก็แปลว่าอะไรก็เนี่ยก็เกิดมาแล้วจริงจริงนะะมีขันธ์ห้ามีร่างกายมีจิตใจเนี่ยปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นเนี่ย มันมีอยู่นี่อันนี้มองโดยภาพรวมว่านี่คือทุกข์แต่ทีนี้ธรรมชาติที่หลวงพ่อพูดถึงอ่ะมันก็มีอยู่แล้วก็คือธรรมชาติที่รู้รู้เรานั่นถ้าเกับว่าธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติที่รู้ทุกข์แต่มันไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยมันพ้นไปแล้วจากทุกข์เพราะฉะนั้นให้มีสตินี่แหละก็คือรู้แจ้งต่อทุกข์ทุกข์เหมือนเราว่าอยู่เนืองๆอยู่เป็นประจําเนาะจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้อยู่รู้อยู่นั่นแหละที่รู้อยู่นั่นแหละเขาเรียกว่ารู้ทุกข์แต่ก็พ้นทุก เออเพราะฉะนั้นเนี่ยที่โยมถามเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องตอบกลับมาตรงเนี้ก็คือรู้ตัวโดยเฉพาะรู้ในปัจจุบันว่าเนี่ยตัวเราที่เป็นผู้ฟังก็ดีเนี่ยตัวเนี่ยคือตัวทุกตัวฟังตัวเราที่กําลังผู้คิดพูดนึกเพื่อให้เข้าใจเนี่ยทั้งตัวเนี้นะอืมันก็เป็นตัวทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้จักตัวทุกอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยมันก็พ้นทุกตลอดเวลาที่รู้จักทุกแบบเนี่ยยังมีอะไรสงสัยเห็นไหมที่ ผมคิดเอ่อที่ผมที่ผมจะเอ่อที่ผมจะบอกก็คือว่าไอ้ตัวทุกข์เนี่ยมันเกิดจากตัวรู้ครับตามความตามความตามความรู้สึกผมนะครับว่าว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ครับ S <S เหออันนี้ก็โอเคเข้าใจานะตรงนี้แล้วไอ้สิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงด้วยซ้ำไปครับที่ว่าไม่จริงเพราะอะไรไอ้สิ่งที่ถูกรู้มันคืออะไรมันคือรูปมันคือนามอะไรหรือเปล่า ขันห้าไม่ใช่ตัวไม่ไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนเอ่อตามเอ่อตามที่สวดมนอะไรกันเขาว่าแบบนั้นนะครับแล้วไอ้แล้วไอ้อตัวรู้เนี่ยรู้มันก็คือความรู้สึกนึกคิดครับหรือว่าสังขาร น, นี่เองอะ่ะซึ่งสังขารมันก็เป็นสังขารในขันห้าครับไม่ใช่ อครับรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ผมอธิบายว่าแบบนี้ครับอาจารย์คือรู้นี่นะมันมีสมมติหลวงพ่าจะจะแบ่งเป็นเป็นสองรู้กันแล้วกันรู้อันแรกคือรู้ของเป็นวิญญาณนะวิญญาณในขันห้าก็คือ วิญญาณเนี่ยมันก็เกิดต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยก็คือหูตาจมูกเลี้ยงกายใจกระทบกับสิ่งที่อยู่ภายนอกรูปรดกลิ่นเสียงโพธภัธรรมรมมันก็เกิดวิญญาณรู้ขึ้นมาตรงนี้ถ้าไม่มีการรับรู้หมายความว่าหูตาจมูกมันมีอยู่แล้วเสียงก็มีอยู่แต่ไม่รับรู้ตรงนี้มันไม่มีทุกเพราะว่ามันไม่รับรู้ไม่รับรู้ทุกมันก็ไม่มีทุก แต่ชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันวิญญาณมันก็ต้องเกิดเป็นขณะขณะเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อะไรมันก็มีทุกขเช่นรู้เจ็บอย่างเงี้ยถ้ามันมีความเจ็บเกิดขึ้นแล้วรู้อย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเป็นทุกข์เพราะว่ามันรับรู้ได้แต่ถ้าสมมติเล่นไพ่นานๆเล่นมัวแต่มองแต่ไพ่นะความเจ็บความปวดมันก็มีอยู่แต่มันก็ไม่รู้ว่ามีอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่ามันมีทุกขทุกมันมีแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าวิญญาณไม่ไปรับรู้ มันก็ดูเหมือนว่าไม่มีทุกข์อ่าเพราะฉะนั้นที่โยมพูดว่าอ๋อมันทุกข์เพราะรู้ก็ถูกต้องแล้วนะถ้ารับรู้มันก็มีทุกข์แต่ทีนี้คนเราทักสมมติว่าจะพ้นทุกข์โดยวิธีว่าไม่ต้องรับรู้อะไรนะเกิดมาเนี่ยคือเป็นเจ้าชายนิทราไปเลยเนาะไม่รับรู้ทางหูตาจมูกลิ้นกายใจเพื่อจะได้พ้นทุกข์อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าแล้วเกิดมาทําไมอ่ะมันก็ไม่ไม่ได้เรื่องใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้เกิด เขเรียกว่าอย่าอย่าให้อย่าให้เป็นอย่างนั้นก็คือเกิดมาก็ให้มันมีปกติเนาะมีหูตาจมูกเลี้ยงกายใจที่มันปกติปกติแล้วก็มันรับรู้ทุกข์อยู่แล้วอ่าแต่ทีนี้วิธีข้ามพ้นทุกข์เนี่ยก็คือเนี่ยมีปัญญาอย่างแจ่มแจ้งว่าเอ่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนาะมันเป็นตัวทุกข์เห็นไหมมันเป็นตัวทุกข์คือเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วหมดไปปรากฏแล้วหมดไปแต่ด้วยปัญญาที่มันมีเหนือชั้นขึ้นไปอีกว่ามันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่ มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ทุกข์ถึงแม้ว่ามันจะรู้ทุกข์แต่มันก็ไม่เป็นทุกข์ธรรมชาติอันนั้นเนี่ยที่เรียกว่าจิตธาตุรู้อ่ะนะธาตุรู้เนี่ยไม่มีสภาพเป็นทุกข์เลยแล้วก็ธาตุรู้ไปรู้อะไรมันก็ได้แต่รู้มันไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยนะมันมีแต่รู้แล้วก็พ้นไปอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นหนทางพ้นทุกข์เนี่ยก็คือต้องรู้จักธาตุรู้นะรู้จักธาตุรู้ก็คือธรรมชาติที่รู้เรานั่นแหละเมื่อรู้แล้วเนี่ยมันก็สังเกตดีๆนะมันไม่เคยยึดถือ อาจารย์ครับไอตัวธาตุตัวธาตุรู้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็ยังมีผู้รู้สภาวะอยู่มันจะพ้นทุกข์จริงเหรอครับธาตุรู้ไม่มีสภาพเป็นผู้ไม่มีสภาพเป็นคนไม่มีสภาพเป็นสัตว์ไม่มีสภาพเป็นอะไรทั้งหมดเป็นความว่างเปล่าแต่มีความรู้ ต้องเข้าใจเรื่องธาตุนะคุณนิสมบัติของธาตุเนี่ยคือคุณสมบัติของมันคือรู้อย่างเดียวไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเดียวนะแล้วกท็ที่ที่ชัดเจนที่สุดคือมันไม่ได้เป็นคนคือมันพ้นไปจากคนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่เป็นอะไรทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราข้าใจเือแล้วตัวธาตุรู้นี่ก็ถูกรู้เหมือนกันนะครับธาตุรู้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อย่างเดียวถ้ามันถูกรู้มันก็ไม่ใช่เป็นธาตุรู้ ธาตุรู้เนี่ย ค, คือรู้อย่างเดียวถ้ามันเป็นสิ่งถูกรู้เมื่อไหร่มันก็ไม่ใช่ธาตุรู้เอาง่ายๆเลยตรงนี้เช่นอย่างที่เรากําลังพูดเรื่องธาตุรู้เนี่ยว่าธาตุรู้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปหมายว่าธาตุรู้เป็นอย่างนั้นอันนี้ยังไม่ใช่ธาตุรู้แต่ธาตุารู้เนี่ยคือรู้เราว่าเราเนี่ยกำลังถามกําลังคุยกําลังสงสัยอยู่เดี๋ยวนี้ตอนนี้นะทีนี้ถ้าเราจะไปหาธาตุรู้บอกว่าพบแล้วธาตุรู้อันนั้นก็เป็นสิ่งถูกรู้มันก็ไม่ใช่ธาตุรู้ ธาตุรู้มีแต่รู้ขนันหน้ามีแต่รู้เราเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเนาะมีแต่รู้เราอย่างเดียวรู้เราอย่างเดียวเราเนี่ยไม่สามารถจะไปรู้่ธาตุรู้ได้แต่ว่าการอธิบายเนี่ยเหมือนกับว่าอธิบายเพื่อพอเป็นแนวทางพอให้เข้าใจเรื่องธาตุรู้แต่ถ้าเราไปหมายว่าอ่าพบแล้วธาตุรู้คืออย่างนั้นอันนั้นก็ไม่ใช่ธาตุรู้เพราะมีตัวเราเป็นตู้ไปพบแต่ธาตุรู้เนี่ยเขาพบตัวเราว่าเราอะไปพบมันนี่เงี้ยเหมือนกับตอนนี้เนี่ยที่เรากําลัง คุเรื่องทธาตรู้เพื่อจะให้เข้าใจทธาตรู้เนี่ยถ้ามันพูดได้นะมันบอกว่ามึงไม่มีวันจะเจอกูหรอกแต่กูอ่ะเจอมึงหมดเลยมึงกำลังถามมึงกําลังตอบมึงกําลังอยากรู้กูเรื่องกูเนี่ยมันจะรู้หมดอ่ะครับเออเอาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวสิ่งที่เราถามเนี่ยต้องกลับมาใหม่รู้สึกตัวนะให้เห็นตัวเราเหมือนที่หลวงพ่อพูดในตอนต้นๆเลยว่ารู้ตัวเรารู้ตัวเราตัวเราถามคือไม่ใช่ว่าไม่ให้ถามแต่ถามได้ แต่ทุกครั้งที่ถามก็ให้รู้เลยว่ามีผู้ถามแล้วมีผู้ถามแล้วผู้ถามคนนั้นเขาเรียกสมมุติชื่อว่าคือตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าตัวเราเป็นผู้ถามตรงเนี้ยมันก็จะพ้นไปจากความเป็นตัวเราในปัจจุบันขณะเน้นตรงนี้มากๆเน้นตรงนี้มากๆครับ